มันมือครับไหนครับหน้าน่งอเจดิบห้าครับข้อที่สี่สิบสองที่สูรูปใดกล่าวกับที่สูว่านี่แม่ท่านท่านจงมาเราจะเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเพื่ออินบาทฉันกันแล้วสั่งให้ทายกยวานแกที่สูนั้นหรือไม่ก็ตามเปส่งไปด้วยคำว่า ท่านจงไปเสียการพูดก็ดีการนั่งก็ดีกับท่านไม่เป็นความผาสุขแก่เราการพูดก็ดีการนั่งก็ดีย่อมเป็นผาสุขแก่เราผู้พูดเดียวกระทำเหตุเพียงเท่านี้ต้องการทำอนาจารมีการอยู่กางลำพังกับสตรีเป็นต้นเท่านั้น ไม่มีเหตุอย่างอื่นต้องการอนุเคราะห์พิสุนุมไม่ให้เห็นอารมณ์ที่เป็นวิสภาคต้องอาบัตปาจิตตีถ้าเป็นการส่งสามเณรต้องอาบัตทุกกดข้อทีกอย่านี้ครับข้อนี้นะมันก็ว่าพิสุนะครับชวนเพื่อนภาพพิสุด้วยกันนะคเข้าไปวิทบาร์ในบ้านนะ พอเจอบินาบาผู้เข้าไปในบ้านแล้วใช่ไหมยูดีส่งกลับมาเลยนะครับส่งกลับมาบอกว่าจะสั่งให้โยมนะถวายของแกร่รูปนั้นหรือไม่ก็ตามอันนี้มันมีประมาณนะครับแต่ส่งกลับไปเลยด้วยคําพูดนี้เป็นตน้นแน่ถ้ายมงชุนแบบนะครับทําไมถึงส่งรูปนี้กลับไปนะครับเพราะว่าแกเกิดไปเจอผู้หญิงท่าคนหนึ่งและเกิดชอบใจนะครับ ต้องการแบเพื่อนาจาร ก, กับผู้หญิงคนนี้นะด้วยการอยู่ตังลำพังนั่งในที่เล้าเป็นต้นนะครับหรือพูดกระซิบกระซิพูดจาอะไรนะเล่นหัวเหทางกับผู้หญิงนี้นะครับถ้ามีรูปนี้อยู่เป็นกล้าวขวาคอใช่ไหมหรือว่าจะทําอะไรไม่สะดวกนะครับนั่นแหละก็ต้องไล่กลับไปนะครับไล่กลับไปเลย mm hmm. เนี่ยมีบอกว่าผมอยู่บนท่านจะไม่ผาสุกเลยผมอยู่คนเดียวสะดวกว่ากลับไปไล่ตกลับไป น, นะครับนะ อ, อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับไม่มีเหตุอย่างอื่นแล้วมีเหตุอันนี้แหละก็ต้องอาบบไปตีต้องแบบไปตีตไหนครับตอนนี้ส่งไปเนะี่ยอันนั้นไปทุกกดก่อนตอนนี้ไล่ เ, เขาไล่เข้าไปนั่เป็นทุกกดก่อนพอเข้าเลยเดิดนเลยอุปจาของการเห็นและการได้ยินนะครับเอา 12, 2, 3, 3สิบสองสอบนะครับท่านเดินเลย 12, 2, สิบสองสอบก้าวแรกใช่ไหมเป็นธรรมทุกข์กดก้าวที่สอง ต้องบังปลาจิบดีก็แลก้าที่สองที่เลยสิบสองสิบสองสสองสองนะครับก็คือหงม้งนะครับอแต่ว่าถ้ามีกําแพงมีฝาก้าวหลิวนะแค่เขาว่าเดินเลยกําแพงออกไปนะครับอันนี้ก็ต้องอันบังนะพ่อพอกว่าเดินเลยไปก็คือลากได้แล้วนี่นะแต่ถ้าว่ามีเห็นอย่างอื่นเห็นใช่ว่า ที่ส่งพิสูจนนกลับไปก็ต้องการข้อพิสูนหนุนเราแปลว่าพอชวนได้ใช่ไหมเคยนึขึ้นมาได้โอ้ยบิดาบาสสายเนี่ยมีหลักาเยอะนะครับแล้วก็มองใส่บานเยอะเลยนะถ้าพิสูนหนุนจะเสร็จเลยจะบาดแต่ึ้นมากนะครับก็เลยส่งท่กลับไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้ได้ถือว่ามีเหตุที่สมควร่เป็นไรครับอย่างี้หรือว่าให้ท่านให้พิสูนหนุมเนี่ย ตอนหาให้พราอาพาธอย่ในวัดครับกับตอนหาให้พราอาาก่อนเนี่มันได้นครับขอนี้ตัวอย่างคุณต้มนะออนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นการส่งสมณี น, นะนอนด้วยกันต้องการผื้ อ, อนณาจารย์กับผู้หญิงใช่ไหมส่งสมณีกลับไปนี่ก็ต้องมาตุกก้นะครับอา บ, บัจะบองนะี่ข้อนี้เป็นอย่างนี้นะครับที่บา้านข้าทีนี้เราก็มาดูต้อนบรรยาการอบมาสก เ ร, เรื่องเรื่องเกี่ยวกผู้หญิงน่าจะเป็นใครตอนนี้ไม่ใช่ประธานดีแล้วนะครับเป็นพวกป น, วนนท์ครับพวกปนนท์นี้ก็มีเหมือนกันนะ่าเรี่ยมอะไรนครับข้าวปนันทนครับ <c oughs> รนะโดยสมัยนั้นท่านาาพระเจ้าประทัอยู่หน้าพระเจดวันอารามเขาฐานบีิกาฆาบดีเขตกนนครสามถี ครั้งนั้นท่านพ่อปัญธาสากยบุตรได้กล่าวชวนพิสูจผู้เป็นสตริวิหาริษของพระพิชายพิสูจที่เป็นลูกศิษย์ของพระพิชายอย่างอีกทีหนึ่งนะ้ะก็ว่ามาเธอเอมโสเราจะเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาลด้วยกันชวนเข้าไปเองนะครับเนี่ยแล้วพอไปแล้วใช่ไหมแล้วสั่งไม่เข้าถวาอะไรแกเธอสั่งโยมด้วนั้นไม่ต้องถวายอะไรแกทหรอกอย่างนี้นเลยครับโอ้ ทามส่งกลับไปได้บอกว่ากลับเถิดอาุโสการพูดก็ดีการนั่งก็ดีของเรากับคุณไม่นำควาสมสำรานมาให้การพูดก็ดีการนั่งก็ดีของเราคนเดียวย่อจมจะสำราญครับไล่เท่ากลับไปเลยนะขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วที่สุนั้นไม่สามารถเที่ยวหามินกะบาดฉันได้ถ้าจะไปบินกะบาดหาเองก็ไม่ทันแล้วมันจะเที่ยงแล้วนะครับ แม้จะไปฉันที่โดนฉันก็ไม่ทันการจำต้องอดพระตาหาครับครั้นเธอไปถึงอารามแล้วได้แจ้งในมันแก่ที่สุดทั้งหลายเนี่ยที่แกสง่งนี้กลับไปพ่อมีความปรารถนาลาโมก น, นะต้องการออกมาเป็นอนานตการนะครับคนจะไปเจอสาวเจออะไรที่ไหนเข้าครับ<ม>ก็เลยเลยส่งรูปนี้กลับไปเลยนี้บรรดาที่สุดผู้มังนะ้อยสินโดดตามก็แข่งเข้าไปเตรียมปรารถนาว่า <c oughs> ท่านผู้ปนัทาสารกยบุกร์ชาวยิสูว่ามาที่อาุโสเราจะเข้าบ้านเพื่อปิติบาด้วยกันและฉะนันจึงสามารถเข้าถวายอะไรแก่เธอซ้ําย้ำส่งกงละกะับอี ก, ก, ออกออเล่าและสามถืองนั้นแหละที่ดูดผ้าเจ้าผู้ทวยก็ประชุมสงทรงตอบเาทรงปีเตียนเข้าปนัทแล้วก็เรียกสถาบนตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ในข้อใจบิดฎอนท่านอธิบายไม่ได้ง่ายเขาว่าส่งไปส่งไปด้วยความปัฏฐานยังไงความว่านะครับปรฏฐานจะกระซิกะซี้นะปรารถนาจะเล่นปัฏฐานจะเล่นในที่รับปัฏฐานจะดูพุทธนาจารย์ตมมาจุฑาคือความวนาชั่วช้าอย่างนี้นะก็เลยพูดอย่างนั้นออกไปในสิกขาบง น, นะครับให้กลั่นนะครับตอนนี้ส่งไปเนี่ยต้องแบบทุกข์ก่อน เมื่อเธอจะนังปัจจาระเนการเห็นหรูปร้ปัจจาระในการฟังก้าวแรกใช่ต้องบัทุกตนะครับเมื่อแลานแล้วต้องอัลบัตติก็มาดูา 2, คำอธิบายในหนังสือกังขันเมื่อสองร้อยสิบนะครข้อที่สองะอธิบายวิโยชนสิกขาบทคึงสราบอ ธ, ธิบายสิกขาบทที่สองต่อไป คำว่าทาเปตวาวาทาเปตวาวาพิสูจใช้มาตุคาหญิงให้ถวายสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พิสูจที่ไปกับตนก็ตามไม่ได้บอกให้ถวายก็ตามบางทีถ้าบอกให้ถวายนะก็ได้นะอ้าวท่านได้อาหารัปแล้วกลับไปผมจะอยู่ตอ่อไปกลับไปเลยได้อาหารเนี่ยพอแล้วนีอ้างเลยได้นะครับนีแต่มีใจอย่างนี้ยนะ อันนี้บอกไม่ไ ม, ม่ประมาณนะครับคำว่าอุยโยชยะถึงส่งไปเนี่ยความว่าพิสุต้องการจะหัวเลาะเล่นหรือนั่งในที่ราบกับเป็นต้ น, นครับกลับมาทุกทาจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าไปเสียเถิดท่าน <c oughs> แล้วจึงส่งพิสุนั้นไปคำ ว, ว่าเอตเทวะความว่าพิสุท่าความบพคคลอนาจานั้นให้เป็นเหตุ น, นะครับ เนื้อปัฏฐานอย่างนี้มีเห็นอย่างนี้นะที่ส่งเกากลับไปนะครับไม่ทําเหตุอสมควรอย่างอื่นคาว่าปาจิตติยังความว่าเพราะเห็นเพียงการไล่ส่งไปต้องบัตถุกฎขอบแต่เวลาในพิสุดทธิ์ส่งไปนั้นเดินเลยปัจจระที่ตนเห็นหรือปัจจละที่พิสุทธ์ได้ยินนะครับก้าวแรกของพิสุทธ์ที่สุขส่งไปนั้นทําให้ต้องบัตถุกฎ อีกเก้ามที่สองผ่านไปต้องบัานาลดีก็ในคําว่าอุปจารานี้คือสร้างการกําหนดดังต่อเปน็นระยะประมาณสิบสองสองนะครัจำไม่ยนะากคือบองอุปจาะการเห็นการได้ยินที่นี้นะครับประมาณสิบสองสองนาที่แจ้งถ้าเป็นที่แจ้งนะครับเป็นเขตกําหนดแห่งปัจจาระการเห็นอุปจาระของการได้ยินก็เช่นเดียวกันสิบสองสองกันนะครับ แต่ถ้ามีฝาประตูหรือกำแพงเป็นต้นข้างละวัดใช่ไหมนัอนแหละครับ <c oughs> ้าเรือนเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละเป็นเขตแหการล่วงเลยประจานะคอเดินข้ามเลยเขตประตูเขตรือว่เขตฟ้าเรืรงเลงไปใช่ไหยอันนี้เอาเอาอกฝานะประตูกำแพงองก็ต้องบัตรแล้วนะครับเหตุเกิดได้ประเภทอาบาัติค้าผลคุณพระพาเจ้าทรงปาลบโท่ปนันทะ ในเสามัคคีทรงบรรยายนี้แล้วต้องเห็นคือการชวนพิสุขไปนบนธบาลแล้วบอกให้กลับไปเสียนะครับสิกค้าบท น, นี้เป็นสาระหน้าบรรยายนิพุนี้ข้อนีเป็นสารติการนะครับด้วยการสั่งให้ผู้อื่นส่งไปอันนี้ก็เป็นนะเราสามารถพิสุขคนอื่นเัาส่งรูปนั้นกลับไปก็ไปดีกันเป็นติการปาติตตินะครับ คือทำกับพรนะเป็นพิสูจนะครับเข้าใจสงสัยสำคัญผิดต้องลำบากบังนั้นนะครับส่งภาพกลับไปนะแล้วก็ประพฤติกับอนุปสัมบูรณและทํากับสมณะเองใช่ไหมอันนี้เป็นติการทุกกฎนะรัเพราะการกล่าวคําที่ก่อเกิดความลำพคาแก่อุปสัมบันณและอนุปสัมบันทั้งสองต้องแบบทุกกฎเหมือนกันหมายความว่าไล่หรืออ้อนะไม่ได้นะไล่ประเดจองหรอก แต่พูดให้เขารู้สึกไม่สบายใจครับแกได้ไปไปใช่ไหม mm hmm. ท่านกย็ยกตัวอย่างมาครับอธิบายว่าก็คือทำเป็นโกรเนี่ยนะทำเป็นกดนะไม่พอใจพูดอะไรให้เขาไม่สบายใจออกไปครับอธิบายว่าแสดงโทษในการยืนและการนั่งเป็นต้นเรื่อหนาเแห่งความโกรธกล่กาวถ้อยคำอันไม่เจริญใจอย่างนี้ว่าถ้าไม่เจริญเนี่ยอาจจะพูดให้โยมฟังนะ จงดูการยืนการนั่งการดูการแลเหลวของพิสุนี้เธอยืนเหมือนหัวตตย่อดูผ้าลูกนี้สิยืนเหมือนหัวตอเลย <c oughs> นั่งเหมือนสุนัขโอ้ว่าหนักเลยนะและเหลวทางนู้นทางนี้เลิกลากเหมือนลิงพูดเป็นอย่างเงี้ยไม่ไล่เด็กโตนะในการไล่เด็ออกอ้อด้วยตั้งใจว่าแม้ไฉนผู้นี้ถูกเราลบควร ด้วยถ้อยคำไม่จะมุนใจอย่างนี้แล้วคือหลีกไปเสียนะครับ อ, อันนี้ต้องบทผทุกดนะครับไรเด็กอ้อนนะทกับพระเสน่ก็เหมือนกันต้องบอทุกกู้กดไรเยอะบทตรงๆดีกว่าอภิบาลนะครับที่สูงไม่ต้องอาภาิบาลเมื่อส่งไปก็มีเหตุสมควรเป็นต้นเป็นต้นว่าเทียบวินาศสองรูปในที่เดียวกันไม่พอฉันใช่ไหม แล้วี่สู่บ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอะไรหรอกในที่นี้ท่านจะยกตัวอย่างมาเยอะนะครับมีภาพวินัยปีโดนะพีชูส่งกลับไปด้วยคิดว่าเราสองรูปรวมกันจะไม่พอฉันตอนแรกท่านอาจจะกะว่าไม่ดีนะแต่วัวนนถึงเอานึกงาเนี่ยโอ้เราสองรูปไม่พอแน่นะเดี๋ยวก็มีกําลังแค่นี้ใช่นนครับก็เลยส่งท่านกลับไปเอ้าวไปสารอื่นเถอะท่านนี่ น, นะก็ไม่เป็นไรนะครับพีชูส่งกลับไปได้คิดว่า โรคนั้นพบสิ่งของมีค่ามากแล้วจะยังความโลภให้เกิดครับโอ้เนี่ยแกไปเจออะไรบางอย่างที่มีค่าในบ้านเนี่ยนะมีคนรวยเยอะใช่ไหมเขาไปเล่บาบ่าในบ้านรวยแกเกิดแกไปเห็นอะไรของมีค่าเข้าเนะี่ยก็จะเกิดโลภนะครับก็เลยส่งกลับไปที่คุดส่งกลับไปได้คิดว่ารูปนั้นเห็นมาถุกคำแล้วจะยังความกำหนัดให้เกิดเนี่ยได้ พิสูจน์ส่งกลับไปได้สั่งว่าจงนํำข้าวต้มหรือข้าวสวยของเคี้ยวหรือของฉันไปให้แก่พิสูจน์ผู้อาพาธครับแก่พิสูจผู้ตกค้างอยู่ในวิหารใช่ไหมจุดผู้ตกค้างไม่ได้มีธรราะ น, นะครับนี่นะหรือแก่พิสูจนผู้เฝ้าวิหารอันนี้จะอะไรพิสูจน์ไม่ประสงค์จะบวช อ, อานานจารแต่เมื่อมีกิจจาเป็นนะจึงส่งกลับไป อาจจะมีกิจจำเป็นางานอื่ที่นอกเหนือจากเนียนะเกิดขึ้นนะครับก็ทันกลับไปก่อนนี้ได้นะแล้วก็พิสูจนนะ์วิกลจริตอธิกรรมกับไม่ต้องอันบัตอะไรขนะ้อนี้ก็ไม่ยากเราก็ไม่ดงดนได้หรอือไม่มันอยากนะ่ายูดีบิดกบาลอน่างนั้นะแล้วก็ลกก <c oughs> ไล่กลัเด้ <c oughs> ่ยหวังเยาว์ชื่อนาจาง ก, กับมาติขามนะครับ <c oughs> แล้วก็สิกขาบท น, นี้มีองศาเหล่านี้ <c oughs> คือหนึ่ง ต้องการจะประพฤติอาาจารย์นะครับก็มีองค์นี้ด้วยนะถ้าว่าส่งกลับไปได้เหงื่อถ้าก็ไม่เอานะอย่างเช่นบิดาบาได้กันล้วคุยไปคุยมาเกิดกลกนะครับโกรกละไาไหนไม่รู้ไร่ไร่จะเพิ่มขึ้นกลับไป <c oughs> มันก็ไม่ได้ ไ, ได้ออกมานี้นะพงค์ <c oughs> อันนี้มันมีว่าต้องการประพุทธอานาจารด้วยครับ <c oughs> อันนี้สองเพื่อประโยชน์นั้นจึงขําไร้ประสัมบัติไป เือประโยชน์ที่เรียกมาพูดอนานา์จกับกผู้หญิงนะสารอุปสมบที่ถูกไล่ศพไปอย่างนั้นร่วงในอุ ป, ปจาระไปเมื่อครบองศาก็ต้องบักไฟตีในสินคาบทนนุ่งนะครับต้ามุทางเป็นต้นเหมือนกับแนนที่นาคาศินคาบกแปลเท่าไหร่ถ้าแนนคาสินคาบที่ดูสาก็คือก า, กายจิตาาบาจารจิตได้บาจารจิตนะครับเพราะฉะนั้นแค่ไล่ไปด้วยกายนะ เราไม่ได้พูดออกไปใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระบัตเหมือนกันนะครับไล่ไปด้วยกันไม่ได้พูดใช่ไหมทำ ม, ทำมัดํามืออะไรก็แล้วแต่ตกไล่กลับไปก็เป็นนะครับไม่มีจิตอยู่แล้วใช่ไหมที่ต้องการแบบคุยอาณาจารย์อะไรเงีแล้วก็ไล่กลับไปด้วย ก, การยด้วยวาจาร่างกายทางวาจางก็แแต่นะก็ต้องอนบัตทั้งนั้นนะครับจงการที่บาวิโ ย, ยชนะขาบหมแต่ว่าเราไม่ควรมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสายมิตรบาัต แต่บางที่ไม so ่ได um, ้ใช่ไหมเขาแย่งสานนิสบาหกันใช่ไมครับมีปราชที่ถึงขนาดมาลงไม้ลงมือกันนะในยี้เคยจะในี่ครับได้ติ๊กติ๊กเห็นก็ว่าประเทศไมยเขาฆ่าตา่าตาก็มีใช่มครับครับหนึ่ตาสองตาแย่งสานิอ้ตาตาใช่ไครับครับที่ไหน่วล้วข่ออครับ ฆ่างตายเลยนะตีตีกัเลยตีเยอวัดเยอะเลยอ๋อพักหนาทั้งเลยนะอวัดสองวัดใช่ไหมแยกงายมีสบานกันที่ที่เชียงใหม่เนี่ยที่อพยพที่ผมอยู่เมื่อก่อนก็มีเรื่องพาเขาแย่งไม่เห็นกันว่าแย่งคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอ <c oughs> ้อ น, นั้นก็จะไปอ้อ น, นี้ก็จะไปนะครับคุยกันคุยมาอีกองโกนะครับเอาขวานฟันหัวอะไรนะ <c oughs> โอ้โหหนักเลยนะครับ ฟันหมัวอีกรูปหนึ่งเลยแต่แม่ตายรูปที่โดนฟันแล้วไม่ตายนะครับเขาพาไปส่งบาททา์แต่แม่ตาแล้วก็หน่าดูนะมันก็กระส่าอะไรก็เสียนะครับปากไม่ก็เบี้ยวแล้วก็มือก็เปลี่านสภาพาไปไงี้นะแต่ก็ยังเดินได้อะไรได้นครับกว่าจะฟื้นได้ก็นานนะแต่พวกก็ยังไม่ถนัด น, นะครับปากก็เบีย้ยวแข็งก็คือมันเสียสภาพไปข้างหนึงนะเป็นทิ่การกัเลยท่านนะรูปที่เหยฟังหัวเข้านะา โว่เกิดพิกฤติสาร้องใจมากอยู่ไม่ได้ขอะให้พอตายเลยครับเขาไม่ฟังเถอเขาไม่้วงฝึกฟังไม่ตายนะครับโอ้เกิดความโลภใช่ไหมพอเราเป็นบัญญัเกิดโทสะใช่ไมครับแล้วก็ฆ่ากันตายแล้วมันเกิดโทสะรู้นะถี่ยังอะไรกันนะครับผมก็เลยโอ้นการเหตารน่าปดมาก